หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลปีสองห้าสามสิบกว่าปีผ่านไปนะครูบาอาจารย์ร้อยหลอท่านที่ภาวนานดีๆล้มหายตายจากไปเกือบหมดนละพวกเราก็ามีหน้าที่เรียนศึกษานะได้เข้าใจธรรมะได้สืบทอดรักษาธรรมะต่อไป บ้านเมืองที่มันไม่มีพระพุทธศาสนาแท้ๆนะดูเราแห้งแงล้งหลวงพ่อไปมาหลายประเทศไปมาสิบประเทศกว่าแล้วเห็นเราแห้งแล้งยกเว้นประเทศที่เขามีพุทธอย่างของเราซึ่งมีไม่กี่ประเทศน้อยเต็มทีอย่างเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นอะไรนะชื่อเป็นพุทธว่ามีเยอะอยู่ มันไม่ใช่พุทธอย่างของเราเป็นพุทธพิธีกรรมสยาศาสตร์ไหว้พระเหมือนไหว้เทวรูปไว้ขอพรขออะไรอย่างเยั้ น, นพวกเรามีหน้าที่ต้องเรียนให้รู้เรื่องให้ได้สมัยหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปูด่ดุลยยู่นนนคนที่เรียนกรรมฐานกับครูบาอาจาจรย์จริงๆมีไม่มาก อย่างลงปู่ ด, ดูลเข้าไปหาท่านไปถามกรรมฐ า, านท่านนะสบายไม่มีใครไปตอนไหนก็ทถามได้บางองค์คนเข้าไปเยอะแต่ส่วนมากเข้าไปทำบุญหรืออย่างมากก็ท่านผ่านั่งสมาธิไม่ได้สอนอะไรเยอะอนูดโตไปหายใจไปอะไรแค่นั้นเทศให้ฟังบ้างเรื่องพิจารณากายเรื่องอะไร จะพื้นๆธรรมะคั้นลึกนะไม่ค่อยมีการถ่ายทอดเท่าไหร่หรอกอย่ในีคนที่จะเรียนธรรมะจริงๆเนะมาหาหลวงพ่อวันหนึ่งวันหนึ่งก็เยอะเป็นร้อยๆ อ, อย่าให้หลวงพ่อสอนมันหลวงปู่สอนหลวงพ่อนะทำไม่ได้ น, ะนานๆจะมีคนไปถามท่าที่หนึ่งท่านทำให้ได้ช่วยได้ มาวันนี้เรียนกันทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันยังมานั่งดูกันทําไม่ได้ความสามารถขนาดลงพุ ด, ดุลยังไม่เห็นองค์ที่สองเลยครูบาอาจารย์อื่นๆนะอย่างมากก็แค่ว่าท่านเคยทํามายังไงท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่ลงพุ ด, ดุณนะเป็นครูบาอาจารย์ที่เลิศมากนะท่านสอนตามจริตในใิสัยของเรา งิ้นถ้าเราไปถามลูกศิษย์หลวงปู่ดูลแต่ละองค์แต่ละท่านทั้งพระทั้งโยมถามแต่ละคนว่าหลวงปู่สอนอะไรตอบไม่เหมือนกันแต่คําสอนหลักๆนะจะพูดเหมือนกันเป๊ะเลยแค่คําต่อคำเลยเวิดไวใบเวิดไม่มีผิดนะพูดได้เหมือนๆกันแต่กรรมาฐานเฉพาะตัวแล้วไม่มีใครเหมือนใครเมืนะ่อท่านดูว่าใครได้แค่ไหน อย่างบางคนนั้นชอบส่งจิตออกนอกชอบไปเล่นคุณใสชอบอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็สอนให้ทําจิตให้สงบอยู่ภายในนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาก็เข้าใจว่าหลวงปู่ดูลสอนแค่ว่าให้ทําจิตสงบอยู่ข้างในไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนิ่งๆอยู่ข้างในไปเรื่อยๆนิรันดร์แล้วก็บรรลุพระอรหันต์อันนั้นขั้นเบสิกมากในขั้นสมถะเท่านั้นเองทาจิตให้ว่าง ทำจิตเข้าไปสัวรู้ไปฌานบางคนมีสติปัญญามากขึ้นหลวงปู่ก็สอนให้มีจิตตั้งมั่นท่านสอนให้ท่องพุทโธแล้วค่อยรู้จิตที่ท่องพุทโธพุทโธพุทโธในจิตนี้ไปเรารู้จิตนี้เรารู้พุทโธเรารู้ท่านจิตนะจิตเขาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะเอาไปทํำพิปัฒนาได้ เนี่ยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรืการสอนสมถะท่านสอนไม่เหมือนกันบางคนท่านสอนให้ทําจิตให้ว่างๆบางคนท่านก็สอนพิจรารณาร่างกายอย่างสอนหลวงพคืนให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้ต้องเส้นเดียวหลวงพคืนไม่เชื่อท่านนะไปหาวิธีภาวนาแทบเป็นแทบตาย กำหนดจิตให้เป็นไฟเผาตัวเองเหมือนเผาศพเผาไงก็ไม่ไหมมันเกลียกล่ยมเกลี่ยไปงั้นเองทำอยู่ทั้งพรรษาหนึ่งนะตอนนี้นยังไม่บวชหนอกไปฝึกอยู่ที่หินมักเป้งเอาพรรษากลับมาบ้านที่สุรินวันหนึ่งนึกได้ว่าหลวงปู่ดูลสั่งให้ดูผมเส้นเดียวดูจิตรวมเลยจิตได้สมาธินะเรียนต่อเจริญปัญญาได้ บางองค์ก็ดูกระดูกองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่องานเดินจงกรมอยู่นี่เห็นกระดูกเดินจงกรมแล้วมีโครงกระดูกเหมือนกันเนี่ยอีกสี่โครงนะอยู่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าขา้างหลังเดนินี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยนี่พอถึงขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยหลวงปู่ก็สอนตามฉริตนิสัย อย่างหลวงพ่อสุจินท่านเคยเรียนกับหลวงปู่หลุยดูกายหลวงปู่ดูลก็สอนสลายกายเข้าสู่จิตดูกายก่อนให้ากายสลายแล้วก็เข้ามาสู่จิตท่านสอนหลวงพ่อนะท่านให้ดูจิตเลยให้ดูจิตเลยนี่ก่อนที่ทุกคนจะมาเจริญปัญญาได้เนียจุดสำคัญนะที่ท่านสอนอยู่ประโยคหนึ่งคำว่าอย่าส่งจิตออกนอก คำว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกไม่ได้แปลว่าห้ามออกนอกว่าหลวงปู่บอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะมันขาดสติมันก็เพิ่มบั่นไหวไปตามอารมณ์เขาบอกว่าจิตส่งออกนอกแล้วขาดสติก็เพิ่มบั่นไหวไปตามอารมณ์เป็นสมุทัยถ้าจิตส่งออกนอกก็มีสติอยู่นะ มันเจริญปัญญาเนะี่เจริญมรรคนะคาว่าอย่าสง่งจิตออกนอกนะไม่ได้แปลว่าห้ามออกนอกแต่หมายถึงว่าถ้าออกนอกเราให้รู้หรือบางคนก็ช่วยนะได้ยินหลวงปู่บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ที่จริงท่านพูดมีอีกประโยคหนึ่งนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดยังไงต้องคิดไม่ใช่ไม่คิดเพราะอะไรจิตมีธรรมชาติคิด ถ้าไม่ได้ฝึกอะไรที่ผิดธรรมชาติพอจิตมันคิดไปแล้วนะเกิดสุข ก, ก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้การเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนไม่ใช่ปิดจ้องจิตยอยู่เฉยๆไม่ใช่ไปการรักษาจิตให้นิ่งให้วางแต่เป็นการเรียนให้เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตจิตโดยตัวของมันเองนะั้นไม่มีรูปร่างไม่มีการปรากฏ แต่มีอยู่มีอยู่แต่มองไม่เห็นการที่เราจะเห็นจิตเกิดดับนะเหมือนเห็นสิ่งซึ่งไม่มีรูปร่างไม่มีตัว ต, วตวนนะเราจะเห็นมันเกิดดับได้ยังไงเราเห็นผ่านจิตตสังขารเห็นผ่านความปรุงแต่งของจิตตัวจิตเราไม่เห็นเราเห็นสังขารของจิตเวลาที่เราดูจิตเราก็จะดูผ่านนะสังขาร สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับไปต้องดูอย่างนีน้ถ้าดูให้เต็มยศก็จะมีเวทนาอีกตัวหนึง่งจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไป จ, จิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยจิตโดยตัวของมันดูตรงๆไม่ได้ก็ดูผ่านเวทนาบ้างดูผ่านสังขารบ้างนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเอง หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลก็สอนมาแบบนี้หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลสหลงปู่ดุลเพิ่งภาวนาไม่นานนะหลวงปู่มั่นก็สอนสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตานี่คือการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตัวจิตไม่มีอะไรให้ดู ก็ดูผ่านความปรุงแต่งของจิตถ้าเต็มยศเลยก็จะมีเวทนาอีกตัวหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้เรียกว่าเจตสิกเจตสิกนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้จิตแต่ละดวงมีความแตกต่างกันอย่างจิตดวงนี้เจือด้วยเจตสิกมีความสุขเป็นจิตมีความสุขมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของจิตที่มีความสุขขึ้นมาแตกต่างจากจิตที่มีความทุกข์ เจตสิก ค, คือความดีชั่วเช่นเกิดบิริยะขยันภาวนากับขี้เกียจเนี่ยบิริยะเกิดขึ้นไม่นานนะจิตขยันข่งแข็งไม่นานกลายเป็นจิตขี้เกียจอีกแล้วจะเห็นมันกลับไปกลับมาหรือจิตมีราคะมีราคะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าจิตมีราคะาพอเห็นจิตมีราคะเกิดขึ้นราคะดับไปกลายเป็นจิตไม่มีราคะก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยง พระจิตดวงที่มีราคานั้นดับไปแล้วเกิดจิตดวงที่ไม่มีราคะงั้นในจิตตานุปัสสนาเนี่ยจะชัดมากเลยนะที่พระเจ้าสอนจะตรงกับที่หลวงปู่ดุลสอนนั่นเองจะเห็นความเกิดดับของจิตหเห็นฐ่านเจตสิกนะดูขราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้ห้ามแต่ให้รู้ว่ามีราคะดูพระภิกสูทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะ ทันทีที่เรารู้ว่าจิตมีราคะจิตที่มีราคาจะดับอัตโนมัติเพราะจิตที่มีราคาเป็นอกุศลจิตทันทีที่สติเกิดอกุศลจะดับอัตโนมัติก็จะเกิดจิตที่ไม่มีราคาขึ้นมาแทนดูกราภิสุทธ์ทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแม้ท่านดูเป็นคู่คู่เรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างจิตสุขจิตทุกข์ก็เป็นคู่คู่ จิตรอบจิตไม่รอบจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูเป็นคู่คู่คู่ไปเวลาเรียนเรียนสิ่งที่เป็นคู่นี่แหละจะเห็นว่าจิตนี่กลับกรอกในสิ่งที่เป็นคู่คูน่นี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วนะสลับกันไปเรื่อยๆต ร, ต, รตรงที่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกว่าเห็นจิตนั้นเป็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตา จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้ไม่อยากจะทุกข์มันก็ทุกข์สั่งให้สุขมันไม่ยอมสุขสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆมันไม่อยู่ทุกข์เกิดแล้วสั่งให้ไปเร็วๆมันไม่ไปอย่างนี้เรียกว่าเหนาน็นอนัตตาหรือกุศลเกิดขึ้นจิตมีศรัทธาอยากฟังธรรมฟังได้ไม่นานขี้เกียจฟังล้วเนี่ยศรัทธาเกิดแล้วก็ดับไป มีวิทยิยะวันนี้ตั้งใจจะเดินจงกรมสักชั่วโมงเดินได้สิบนาทีคิดถึงลลยและคิด เ, เลิกละเอาไว้ก่อนนะหรือเดินดูลายไปเลยคราวนี้เดินแชทเดินอะไรนะบ้าได้แท้เลย <laughs> จะเอามักผล <laughs> เนี่ยจิต ท, ที่เป็นกุศลนนะ่อยู่แวบเดียวสลายไปละเกิด <laughs> แล้วก็ดับไปดับไปอย่าสั่งให้ขยัน มันก็ไม่เชื่อเชื่อห้ามมันขี้เกียจมันก็ไม่เชื่อนนี้เรื่อฐานอนัตตาสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธโกรธแล้วอยากหายเร็วๆก็ไม่หายอย่างเงี้ยนี่ไม่มีอะไรที่บังคับได้เพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องตัวจิตอยู่ให้ว่างๆอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอย่าไปปัดความคิดความนึกความปรุงความแต่งออกนั่นไม่ใช่ทางนั่นเป็นเรื่องของสมถะ ในเรื่องของวิปัสสนาการเจริญปัญญาด้การดูจิตนั้นก็ดูจิตมันทำงานไปหลวงพ่อเคยทาผิดหลวงปู่ดูลดดแก้ให้ไปหาท่านครั้งแรกวันที่6กกุมภาพันธ์พันะ2 5ารย้าไปหาท่านครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตก็หัดดูก็เห็นจิตมันปรุงแต่งนานาชนิดนนะปรุงโน้นปรุงนี้ไปเรื่อยเรารู้เท่าทันมันก็ดับไปดับไปกลายเป็นตัวรู้สบายอยู่ พยายามรักษาจิตให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแนละรักษาจิตให้มันดีจิตมีความสุขความสบายรักษาไว้เรื่อยฝืออยู่สามเดือนไปหาหลวงปู่ใหม่ไปครั้งแรกวันมาคะครั้งที่สองช่วงวิสาขะใกล้ๆกันใกล้ๆมรคะใกล้ๆวิสาขานะนไม่ได้ไปตรงวันนะตรงวันครูบาอาจารย์ไม่ว่างสมนะเดือนไปส่งกันบ้านท่านบอกว่า ยังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นไปแทรกแซงแทรกแซงอาการของจิตนะถ้าดูจิตนะ่ต้องดูให้เห็นอริยสัจของจิตจิตมันปรุงแตง่งมันทำงานมันสร้างความทุกข์สร้างอะไรขึ้นมาให้ไปดูใหม่นะไม่ใช่ให้ไปทำก็เลยกลับมาดูใหม่จิตเป็นยังไงร่ร้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักของการดูจิตนะจิตเป็นยังไงรัร้วเป็นอย่างนั้นจิตดีก็รู้ว่าดี จิตดีดับไปรู้ว่าดับไปจิตชั่วเกิดขึ้นรู้ว่าชั่วจิตชั่วดับไปก็รู้ว่ามันดับไปเห็นมันเกิดดับเกิดดับดูอยู่สี่เดือนดูจนมันัตโนมัติไกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตนะนี่เดี๋ยวก็มองเห็นนะเห็นตลอดเลยโลภกรธหลงอะไรเกิดรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปได้ใช้เวลาอยู่สี่เดือนแล้วก็ไปส่งกันบ้านหงปู นี่เป็นการพบท่านครั้งที่สามท่านบอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วเข้าใจที่ท่านสอนแล้วต่อไปไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้เพราะว่าไปด้วยตัวเองได้ถ้าว่าอย่างนี้แต่เราไม่ง่หรอกท่านยังอยู่เราก็ไปหาท่านถ้าไม่หาเราโง่ตายเลยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านนะท่านสอนประณีตมากเลยท่านรู้ว่าท่านอายุจะหมดแล้วท่านจะสิ้นละ จะรอให้เราโตไปทีละเก้าแล้วท่านสอนไปทีละเก้าไม่ทันถ้านเลยสั่งให้จําไว้ว่าพบผู้รู้ให้ทำหํำลายผู้รู้พบจิตให้ทำหํำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ไปทไําลายมป็นยังไงมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างตัวมันยังหาแทบไม่เจอเลยภาวนามาเรื่อยๆนะตอนไหนฟุ้งซ่านต้องทําความสงบ หลวงพ่อทําสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจิตขวบมาเจอหลวงปู่ดูลยอายุ29่สิบเกนะแล้วมาเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเจริญปัญญาไม่จําเป็นต้องดูจิตนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดูรูปนามรูปนามอันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องดูตัวจิตหรอกมันไม่ได้แคบขนาดนั้นบางคนว่าต้องดูกายอันนั้นก็แคบเกินไปถ้าบอกว่าต้องดูจิตนี่ก็แคบไปผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนไว้กว้างขวาง ทางกายเวทนาจิตธรรมนะดูได้เท่านั้นพอมหัดพอมาดูจิตนะเจริญปัญญาเราเลยดูถูกสมถะทำมาทั้ง22ปีไม่เห็นจะได้อะไรดูถูกทิ้งเลยอาศัยกําลังของสมาธิเก่าที่ทํามาทั้ง22ปีนี่มีกําลังเจริญปัญญาอยู่ได้สองปนะีพอสองปีแล้วกําลังไม่พอแล้วสมาธิไม่พอ จิตมันสว่างว่างออกไปข้างนอกมีแต่ความสุขล้นๆน้นที่พวกเราพาวนาแล้วมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อไล่ขกให้กลับบ้านให้กลับเข้ามาจิตไปสบายโล่งอยู่ข้างนอกนะอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยแล้วโลวงปู่ดูลก็สิ้นไปแล้วพอดีมีโอกาสขึ้นไปบ้านตาดตอนนั้นหลวงตายัางเข้าถึงท่านได้อยู่ยังท่านยังแข็งแรงอยู่ ท่านกําลังเตรียมจะฉันข้าวขึ้นไปตามไปกราบท่านบนศาลาศาลาไม้ที่บ้านตัดเนี่ยขึ้นไปกราบบอกว่าขอากายครับท่านอานมามองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างนั่งรอก่อนท่านก็วกวากวกวักดุพระไปเรื่อยนะวางกระโถนตรงนั้นอะไนี้คือใครถ้าไม่รู้จักสไตล์ท่านนั้นจะตกใจหลวงพ่อไม่ตกใจหรอกรู้จักสไตล์ท่านวกวักไปกนะันน่ะ ใจท่านโอ้ยงามจะตายไปใจท่านไม่มีหวั่นไหวอะไรใจท่านดีเราไม่กลัวท่านหรอกท่านโบกวากได้พอใจท่านแล้วนะว่างแล้วแล้วก็หันมาว่างไง่ mm hmm. ถ้าทางน่ากลัวว่างไง <c oughs> ไม่กลัวหรอกบอกพ่อแม่ครูอาจารยนะ์สอนให้ผมดูจิตบอกงี้เลยนะแต่ผมดูจิตมาช่วงหลังเนี่ยเป็นปีแล้วทาไมมันไม่พัฒนาเลยมันไม่ก้าวหน้าเลย จ ร, จริงๆหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์องไหนนะที่ท่านภาวนาเป็นนะท่านเข้าจิตหมดกระทั่งหลวงตาก็เข้าจิตไม่มีไปบวกไปที่กายโรงะไปบอกท่านว่าครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตผมดูจิตมาตั้งนานแล้วทาไมช่วงหลังๆนี่มันไม่ก้าวหน้าท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ น, วนั่นว่างี้นะ ต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ไปไปทาําเมาท่านจะฉันข้าวแล้วเราก็ถอยออกมามามทาไมท่านบอกให้บริกรรมมามาพุโทโธพุโทโธพุโทโธท่านบอกบริกรรมนะต้องเชื่อท่านนะท่านผ่านมาด้วยตัวเองมาพุโทโธพุโทโธนะโอ้ใจเหมือนจะแตกเลยแน่นไปหมดเลยโอ้ใจไม่ชอบพุโทโธ ตอนเด็กๆห้ใจเข้าพูดธหายใจออกโทนะธรรมาพุดโธมันหายไปเหลือแต่ลมธรรมาลมมันหายเหลือแต่แสงนี่พอท่านให้กลับไปพุโทโธเนี่ยมันเป็นของหยาบจิตมันไม่เอาพอจิตมันไม่เอานะจิตมันปฏิเสธแล้วมันแน่นไปหมดเลยพอมันแน่นไปหมดไม่ตกใจแล้วก็ไม่ดันทุรังที่จะทําไปเรือ่อยๆสังเกตดูทําไมท่านจะให้พุโทโธพุโทโธเพื่ออะไร อ๋อจะให้พุทโธเพื่อให้จิตตั้งมั่นสังเกต ด, ดูที่ว่าดูจิตดูจิตท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตนะเว่าจิตเราสว่างว่างออกแฟ้งนอกโล่งว่างสบายออกข้างนอกไปจิตมันไม่ถึงฐานจริงๆริโอ้แค่ให้จิตถึงฐานมันก็ไปต่อได้คิดอย่างนี้นะเราก็ใช้วิธีของเราเองไม่ต้องใช้พุทโธของท่านต้องก็หายใจสิเราถนัดหายใจเราก็หายใจหายใจเข้าหาย ใ, ใ, ใ, ใจออกนะหายใจไม่กี่ทีจิตก็เข้ามาละ จิตมันเป็นหลงอยู่ข้างนอกเป็นปนะีเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นหลงอยู่ทันทีที่รู้ว่ามันหลงอยู่ก็เข้ามาแนะ้วช่วยมันนิดหน่อยแค่มารู้สึกที่ร่างกายเห็นร่างกายหายใจปุ๊บก็เข้ามาแนะ้วโอ้แทบเขกหัวตัวเองเลยนี่ดูถูกสมถะทิ้งสมถะไปการทําสมถะเลยจาเป็นหลวงพ่อถึงบอกพวกเราทุกวันต้องทําในรูปแบบนะทําในรูปแบบก็ไม่ใช่เป็นนั่งเจริญวิปัสสน า, ารวดไปนะต้องสังเกตตัวเองวันไหนจิตมีแรงมาก เห็นจิตเกิดดับได้ให้ดูจิตวันไหนไม่มีแรงที่จะดูจิตให้ดูกายวันไหนดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ให้ทําสมถะเนี่หลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่าไปทิ้งสมถะไปแล้วอย่าไปรีบร้อนนะว่าจะบรรลุมรรคผลเมื่อไหร่ไม่ได้กินหรอกเวลาที่จะบรรลุมรรคผลแต่ละคราวแต่ละคราวนั้นเกิดตอนไม่ได้ตั้งใจเกิดตอนไม่ได้ตั้งใจถ้าจงใจอยู่เนี่ยความจงใจนะเรียกว่าโลภเจตนา ความจงใจอยากจะบรรลุเร็วๆเป็นโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะมันเป็นเจตนาชนิดที่เรียกว่ามโนสัญญะเจตนาเป็นความจงใจเป็นความจงใจและมะโนสัญญะเจตนาตัวความจงใจหรือมโนสัญญะเจตนาเนี่ยมันเจิดด้วยโลภะด้วยความโลภมันเป็นตัจใจให้จิตทำกรรมโลภะเจตนาเนี่ย เป็นปัจจัยให้จิตทำกรรมจิตเจะดิ้นรนปรุงแต่งนะถ้าจิตอยู่ดีๆแล้วยังพรฒนามันดิ้นรนปรุงแต่งเขาอีกอันนั้นไม่ถูกแต่ถ้าจิตมันจะดิ้นรนปรุงแต่งแล้วไปบังคับมันไม่ให้ปรุงแต่งอันนั้นผิดนะถ้าจิตปรุงแต่งให้รู้ว่าปรุงแต่งถึงจะถูกแต่ไม่ใช่ไปปรุงแต่งจิตเองถ้าเราจงใจปฏิบัติเมื่อไหรเราจะเข้นจิตทันทีเลยนะเข้นมากๆเครียดนะสติแตกเลยนะถ้าเข้นมากๆ เพรภาวนาต้องภาวนาด้วยจิตใจที่สบายอย่าโลภจุดที่พลาดของนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังนะก็คือโลภนั่นเองนะอยากดีอยากพ้นทุกข์เร็วๆอยากบราารลุพระอรหันต์เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากได้โสดาเร็วๆ เ, เพราะความโลภเกิดนะจะเกิดการบังคับจิตทันทีเลยใช่บีบเค้นจิตนะควบคุมมันอย่างโน้นอย่างนี้นะหางานให้จิตทํามากมายเช่คนค้นคว้าพิจารณามากมายจิตจะยิ่งฟุ้งซ่างกว่าเกา่านะ ครูอาจารย์ท่านเคยสอนนะว่าเราจะดูจิตดูใจได้ชัดเจนนีจิตต้องสงบต้องสบายเหมือนเราจะดูของที่ตกอยู่ใต้ตุ่มน้ําเวลาใครเคยมีตุ่มน้ำไหมหรือมีถังพลาสติกก็ได้นะที่เอาใหญ่ๆหน่อยแล้วมันมีตะกอนอยู่เยอะๆเวลาน้ํากระเพื่อมตะกอนมันก็ขึ้นมาเรามองของก้นตุ่มไม่เห็นนะในเวลาน้ํามันนิ่งตกตะกอนลงไปนระมองเห็น จิตนี้ก็เหมือนกันนะจะภาวนาให้จิตมันใสใจิตมันสบายค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปถึงจะเห็นสิ่งที่แปลกปลอมซ่อนเร้นอยู่ในจิตนะงั้นเราภาวนานะจิตต้องสบายจิตต้องมีความสุขห้ามเครียดถ้าโลภเมื่อไหร่จะบีบคั้นจิตถ้าบีบคั้นจิตเมื่อไหร่จะดูอะไรไม่รู้เรื่องลนะงั้นการภาวนาเนี่ยรีบร้อนไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูพระภิกษุทั้งหลายไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตบรรลุของจิตเองเมื่อเธอได้ทําจิตสามอย่างนะก็คือศีลสิกขาจิตตะศิขาปัญญาสิกขาศีลต้องรักษาพระวินัยต้องรักษาจิตต้องฝึกนะจิตตะศิขาต้องฝึกก็คือฝึกให้รู้ทันว่าจิตอย่างไหนเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศล จิตอย่างไหนใช้ทาสมถะจิตอย่างไหนใช้ทำหิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าจิตตะศิขาจะเรียนรู้อย่างนี้จิตที่โลภอยากบรรลุมักผลเนี่ยคือจิตอกุศล น, นะต้องรู้ทันจิตที่ขี้เกียจขี้คล้านเป็นอกุศลจิตที่ดิ้นรนหิวหัวอยากปรรลุเร็วๆนั่นก็อกุศลจิตที่สงบอยู่ในอารมันเดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนทำสมถะ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะไม่เข้าไปแทรกแซงมันมีความอ่อนโยนมีความเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงต่ออารมณ์ทั้งหลายโลภก็คืออยากเห็นโกรธก็คือไม่อยากเจอเนี่ยไม่อยากเห็นอารมณ์นี้อยากเห็นอารมณ์นะี้อันนี้จิตยังไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริง จิตที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะจิตมีความโอบก็ ร, รู้ไม่ว่าอะไรก็แค่รู้จิตมีความโกรธก็รู้ก็แค่รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูหนหน่ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้รอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นแค่คนดเนเนคนนูเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นโลภเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเหมือนเห็นคนอื่นหลงเนี่ยดูอย่างนี้ดูสบายๆไปได้แค่เวลาไม่นานไม่กี่เดือนหรอกนะ ถ้ายินสีแก่กล้าเขาไม่กี่วันถ้ายินสีปานกลางเขาไม่กี่เดือนยินสีอ่อนหน่อยเขาไม่กี่ปีนะแต่ถ้าทำหลายปีแล้วยังไม่ได้ต้องทบทวนแล้วว่าทำอะไรอยู่ทำถูกหรือไม่ถูกส่วนใหญ่ทำผิดที่ทำถูกแล้วทำไมมันไม่ได้เพราะนานๆจะถูกสักทนะีทำไม่ต่อเนื่องทำแล้วเบนวักนะการปฏิบัติเว้นวักไม่ได้แต่ไม่ได้รีบร้อนตัวนี้นเป็นศิลปะ ของการปฏิบัตินะเป็นศิละปะมากเลยเหมือนเราขับรถยนต์นะไม่ต้องให้ใครมาบอกเราหรอกว่าตอนไหนจะเหยียบเบรกตอนไหนจะเหยียบคันเร่งมันเป็นศิละปะของเราเราต้องรู้ตัวเองการภาวนาช่วงไหนจะเร่งความเพียรคือจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเดินปัญญาช่วงไหนจะทำความสงบต้องรู้ตัวเองไม่ใช่เดินปัญญาแต่บีตบันไปนะเครียดอดกินอดนอนอดเลทรมานตัวเองสติแตกเอานะไม่ได้ต้องดูให้พอดีกับแต่ละคน แต่ยังมาถามหลวงพ่อว่าควรจะกินแค่ไหนควรจะนอนแค่ไหนเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนนีอดนอนได้แต่อดกินไม่ได้บางคนอดกินได้อดนอนไม่ได้บางคนอดไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยบางคนอดทั้งสองอย่างเลยนะมีทั้งหลายแบบนี่ไปคุยกับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเองอดนอนไม่ได้นะท่านอดนอนไม่ได้ถ้าอดนอนหนึ่งคืนนะท่านต้องนอนชดเชย3วันอะไรอย่างนี้นะภาวนามไม่รู้เรื่องเลย ท่านก็เล่าบอกหลวงปู่ฟั่นนะ่ะหลวงปู่ฟั่นนะ่ะอดนอนเก่งนะแต่อดข้าวไม่ได้นะถ้าอดข้าวแล้วทอนานลําบากนะีแต่พระองค์ไม่เหมือนกันงั้นเราก็ต้องดูตัวเองกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดนะีหรือว่าไม่กินแล้วพอดีอะไรก็ดูเอาเองแต่ถ้าไม่กินก็อย่าไม่กินนานนะไม่กินนานเกินไปไม่ดีสุดท้ายร่างกายทนไม่ได้เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านอดข้าวเก่งๆท่านเล่าให้ฟังนะว่าอด มันจะหิวอยู่สามวันนะวันที่สี่มันเลิกหิวแล้วร่างกายไม่เอาอาหารแนละ้วจะอยู่ไปได้เรื่อย ๆ, ๆเยจนตายเลยนะมันไม่ต้องการอาหารร่างกายไม่ทํางานนะเงินไม่อดนานแนตะ่เป็นขลราชไม่ต้องอดหรอกทํางานหนักนะแค่ถือศีแปดถือทุกวันโลกรเพราะก็กินแล้วลวนะการดูแค่ไหนพอดีก็ดูของเราเองจุดสําคัญคือรักษาศีห้าไว้ ถ้าเป็นพระก็ต้องรักษาพระพี่นายไว้เป็นคราวาสสี่ห้าก็พอแล้วแล้วต้องฝึกจิตใจวันนี้จิตฟุง้งซ่านน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขสบายเช่นอยู่กับพุทธโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุ ข, ก, สขก็คิดถึงไปคิดถึงความตายแล้วมีความสุขก็คิดถึงไป อย่นี้อยู่กอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะสงบได้พักผ่อนนี่ถ้าจิตสงบแล้วก็อย่ามัวแต่สงบอยู่เฉยๆนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นวิธีจิตตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ออกนอกที่หลวงปู่ดูลว่ากอย่าส่งออกนอกความจริงคือถ้าออกนอกเราให้รู้จิตไหลไปทางตารู้จิตไหลไปทางหูรู้จิตไหลไปคิดรู้จิตก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญา เดินปัญญาเริ่มจากการแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นที่หนึ่งเลยแยกธาตุแยกขันธ์ลวงตามมหาบัวฟันทงเลยถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยวดเรานะว่าเดินปัญญาท่านพูดอย่างนี้นะแยกธาตุแยกขันธ์ก็คือเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันรูปนามถ้าพูดภาษาปริยัตินัคือแยกรูปนามรูปธรรมอยู่ส่วนหนึ่งนามธรรมอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดู ร่างกายไปกวาดวัดไปกินอาหารไปขับถ่ายไปอาบน้ําไปแต่งตัวจิตเป็นคนดูฝนะึกไปเรื่อยแล้วต่อปมนดูได้ละเอียดขึ้นก็จะเห็นเนี่มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเพื่อเป็นคนดูสุขทุกข์ที่เกิดในร่างกายไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าต่อมาก็ดูได้ละเอียดขึ้นนะจะเห็นเลยดีชั่วที่เกิดขึ้นที่จิตหรือสุขทุกข์กที่เกิดที่จิตนะก็เป็นสิ่งที่ถูกดูเอง สุขทุกข์เกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้นะเป็นของถูกดูไม่ใช่จิตอีกเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันจะค่อยๆแยกออกไปดีชั่วก็แยกออกไปโกรธความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธมาแล้วก็ไปไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนดูตัวจิตเองล่ะใครเป็นคนดูตัวจิตทก็จิตเป็นคนดูเรียกจิตเห็นจิตก็จะเห็นว่าจิตดวงตะกี้โกรธจิตดวงนี้ที่รู้เนี่ยตัวดวงนี้ไม่โกรธแต่ดวงตะกี้โกรธ เอาจิตดวงปัจจุบันไปเห็นจิตดวงก่อนซึ่งดับไปแล้วนะการดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังตลอดนะดูลงปัจจุบันไม่ได้แต่ว่าเป็นติดต่อเนื่องกับปัจจุบันจิตโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธต้องต่อกันไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าโกรธอันนี้ไม่ทันไม่ต่อต้องต่อถึงจะเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสื่อมเนื่องกับปัจจุบันถ้าดูกายดูลงปัจจุบันขณะขณะเดียวนี้เลย น, ะนี่ค่อยดูนะฝึกทุกวันทุกวันไป รักษาศีลนะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามันเหน็ดเหนื่อยก็ให้มันพักอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขถ้ามันสุขแล้วพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าเฉยอยู่นะมาฝึกแยกธาตุแยกขันไปให้มีจิตเป็นคนดูแล้วก็แยกขันไปพอแยกขันได้แล้วขันแต่ละขันนั่นแหละคือครูสอนกรรมฐานที่แท้จริงหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์หรือกระทั่งพระพุทธเจ้ายังสอนเราไม่ได้จริงหรอกท่านบอกวิธีให้เท่านั้น นะพระท้าเจ้าท่านกบอกท่านเป็นผู้บอกทางบอกวิธีให้พวกเราต้องลงมือเรียนด้วยตัวเองเรียนโดยมีครูของเราประจําตัวนะรูปธรรมนามธรรมของเรานี่แหละจะสอนไตรลักษ์เราคนอื่นสอนไตรลักษ์ไม่ไดนะ้คนอื่นสอนได้แต่ทฤษฎีในการลงมือปฏิบัติจริงดูของจริงต้องดูด้วยตัวเองดูกายของตัวเองดูใจของตัวเองให้เห็นไตรลักษณนะ์อย่าไปเค้นมันนะดูความเป็นไตรลักษ์ของกายของใจเรื่อยไปเพอหมดแรง ดูใจรักของใจได้ดูไปนะดูใจรักของใจไม่ไหวดูใจรักของกายดูอะไรก็ไม่ไหวแล้วทำสมถะไวนะ้อย่าไปเค้นอย่าไปฝืนนะเวอยอดกินอดนอนอะไรเคร่งเครียดไม่ได้กินหรอกภาว น, ะนาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ไม่หยุดนะมีคนหนึ่งนะภาวนานอนกระดิกขาอยู่แท้ๆเลยนะจีอย่างเปลี่ยนไปเลยก็มีเออ ไม่ได้ว่าลุกขึ้นมาเดินต้องเดินมีกี่จังหวะอะไรไม่มีนะขยับมือแค่นี้ก็พอแล้วเห็นจะต้องมีตั้งเท่านั้นเท่านี้จังหวะเลยนะบางคนคิดมากจะทำท้ายเก๊กได้ไหมมาถามหลวงพ่อนะจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยพวกฟูงส่านไม่เห็นเคยได้กินสักไ ย, ยงนะอะไรที่พระเจ้าสอนก็ทําไปเถอนะอะไรที่ท่านไม่สอนไม่ต้องไปคิดแทนท่านหรอกนะถ้ามันดีจริงท่านสอนไว้แล้วล่นะ เอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ